บทที่เจ็ดสิบห้าคุณหญิงปฐุมทิพย์วันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพัฒทหารเช้าแล้วจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็อธิษฐานจิตเข้าผลสมาบัติเป็นเวลาสามวันสามคืนและจะไปออกในวันอาทิตย์แรมแปดข้าเดือนเก้าซึ่งตรงกับวันที่สิบอ็ดสิงหาคม พุทธศักราช 2,517 ที่กุฏิชั้นล่างบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์เมื่อได้รับการบอกเล่าจากนายขุนทองก็พากันกลับไปด้วยความผิดหวังบางคนก็ตำหนิท่านในใจว่าไม่ทำหน้าที่ของพระทั้งที่ความจริงแล้วพระก็ไม่ได้มีหน้าที่รับแขกแต่ประการใดในพระวินัยก็ไม่ได้บัญญัติไว้ว่า ให้พระมีหน้าที่รับแขกส่วนคนที่ไม่มีความเกรงใจก็ถึงกับด่าให้ในายขุนทองได้ยินล้านชายท่านพระครูจำต้องอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดเขาได้เห็นท่าแท้ของคนบางคนที่พอไม่ได้ดังใจก็แสดงความหยาบคายร้ายกาจออกมานึกถึงถ้อยคำของลุงลุงที่มักจะพูดเสม อ, สมอว่าผู้หญิงที่น่าเกลียดคือผู้หญิงที่ตามใจตัว ผู้ชายที่น่ากลัวก็คือผู้ชายที่ไม่รู้จักเกรงใจคนวันนี้เขาต้องผนจนกับหญิงชายประเภทนี้หลายรายถึงกับต้องท่องไว้ในใจว่าอดทนอดกลัน้นอดตนอดกลัน้นแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่คนเลวร้ายไปซิหมดเพราะคนดีมีคุณธรรมก็มีอยู่ไม่น้อยซึ่งเมื่อพกเขาได้ทราบเรื่องที่นายขุนทองบอกกล่าว ต่างก็พากันอนุโมทนาสาธุการสาธุหลวงพ่อท่านช่างมีเมตตาสงเหลือเกินขอให้ท่านจงมีอายุยืนยาวเถิดจะประคุณวันต่อมาในขุนทองก็ต้องปวดหัวหนักขึ้นเพราะคนที่มาขอพบหลวงลุงคือคุณหญิงปทุมทิพย์คนที่เขาแอบแช่งในใจว่าให้แล้วเอาคืนมรืนนิตายแต่ก็เป็นการแช่ง ที่ไม่จริงจังอะไรคือไม่ได้ประกอบด้วยความอาฆาตมาตรายเพราะหากเป็นเช่นนั้นจริงคุณหญิงก็น่าจะตายตามคำแช่งของเขาไปแล้วนี่เธอฉันแอบสืบมาแล้วได้เรื่องแล้วคุณหญิงบอกเขาทันทีที่พบหน้าได้เรื่องว่ายังไงฮะคนที่ถามอยากรู้ก็ได้เรื่องว่ามันแอบไปซื้อบ้านให้นางนั่นอยู่และตอนนี้แล้วตอนนี้ตอนนี้ คนเป็นคุณหญิงก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นตอนนี้เป็นยังไงฮะคนอยากรู้ฟักคุณหญิงใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ําตาสั่งน้ำมูกอีกฟูดใหญ่ๆแล้วจึงตอบว่ามันออกลูกแล้วเห็นว่าไปออกที่โรงพยาบาลเอ ก, กชนตอนที่เธอเห็นมันคราวนั้นนะ่ะมันท้องได้สามเดือนแล้วคนเล่าร้องไห้โ ฮ, โฮโฮอย่างไม่อายผีสางเทวดา แล้วคุณหญิงจะทํายังไงละ่ะฮะนายขุนทองถามฉันก็จะมาถามหลวงพ่อว่ามันอยู่โรงพยาบาลอะไรคนพูดไม่ได้บอกหรอกว่าได้เตรียมขวดน้ํากรดมาใส่ในกระเป๋าถือด้วยถ้ารู้ตําแหน่งแห่งที่จะตามไปเอาน้ํากรดสาดหน้ามันทั้งแม่ทั้งลูกให้สมแค้นให้ฉันพบเดี๋ยวเดียวเองฉันจะถามท่านนิดเดียวแล้วก็จะกลับไม่อยู่รบกวนท่านหรอก คนที่ตามใจตัวเองสิจนชินว่าไม่ได้หรอกห้าคุณหญิงหลวงลุงท่านสั่งไว้แล้วว่าห้ามเยี่ยมห้ามประกันชายหนุ่มยืนกรานทําไมท่านต้องเข้าสมบัติด้วยละ่ะเพื่อช่วยเท่าแก่คนหนึ่งนะหะเท่าแก่เกเป็นมะเร็งลำไส้จะต้องตายภายในสามเดือนหลุงลุงเลยช่วยต่ออายุให้โอ้ยแล้วหลายหลายสาระสิ้นดีเธอไปตามท่านแล้วกันเพราะว่าเรื่องของฉันสําคัญกว่า ไปเรียนท่านว่าคุณหญิงปทุมทิพย์มาขอพบไม่ได้หรอกหากคุณหญิงไม่ได้จริงๆ่ะนมวัยยี่สิบเอ็ดยังคงปฏิเสธคุณหญิงจึงเปิดกระเป๋าถือหยิบธนบัตรใบละร้อยให้สองใบออกมาจากกระเป๋าสตางสงให้ชายหนม่มนายขุนทองไม่ยอมรับเพราะกลัวคนให้จะเอาคืนเหมือนคราวที่แล้วหากก็พูดเสียงอ่อนลงว่า กุญแจไม่ได้อยู่ที่หนูหรอกฮ่าแล้วอยู่ที่ใครละ่ะคุณหญิงถามอย่างงดงิดอยู่ที่พี่สมชายฮะงั้นก็ไปเอามาบอกว่าคุณหญิงปทุมทิพสั่งคนเป็นคุณหญิงบัญชาลืมไปว่าที่นี่เป็นวัดไม่ใช่บ้านของเธอเองเขาไม่ให้หรอกฮ่ายังไงยังไงก็ไม่ให้ชายหนุ่มบอกอย่างรู้นิสัยของลูกพี่ไม่ให้ก้อมันรู้ไป มันอยู่ที่ไหนไปตามมาพบฉันหน่อยคนเป็นคุณหญิงแสดงอำนาจและเรียกสิทธิวัดว่ามันนูตามให้ได้ฮะแต่เขาจะมาหรือไม่มาหนูไม่ทราบแล้วก็บังคับเขาไม่ได้ด้วย哈ว่าแล้วก็ลุกไปตามนายสมชายที่กุฏิพระโบเ ย, ยวเมื่อเขาลุกออกไปที่กุฏิท่านพระครูจึงมีคุณหญิงนั่งอยู่เพียงผู้เดียวท่านพระครูอยู่หรือเปล่าชายผู้หนึ่งเข้ามาถาม มากับสตรีผู้หนึ่งอายุประมาณยี่สิบเศษอยู่แต่ท่านไม่ลงมารับแขกคุณหญิงบอกรู้สึกขัดเคืองที่ชายหญิงคู่นี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นคุณหญิงความที่อยากแสดงตัวจึงถามเขาว่าเธอสองคนไม่เคยดูทีวีหรือไงหรือว่าที่บ้านไม่มีทีวีถามอย่างเยียดเยียดบุรุษที่มากับคู่ม่านสาวรู้สึกไม่พอใจที่หญิงสูงอายุคนนี้เรียกเขาว่าเธอ ราวกับว่าเขาเป็นคนขับรถของหล่อนตัวเขาเพิ่งจบด็อกเตอร์มาจากอังกฤษแล้วก็เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยผู้มั่นของเขาก็จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเดียวกันที่มาหาท่านพระครูก็เพื่อจะให้ท่านหาเลิกแต่งงานให้มีครับที่บ้านผมมีทีวีสีด้วยซื้อมาจากอังกฤษด็อกเตอร์หน่มเธอโอกาสคุยทับ จะมีสกิทคนกันเชียวที่มีโทรทัศน์สีดูแล้วพวกเธอไม่เคยเห็นฉันในทีวีหรือไงเธอถามอีกก็พยายามติดตามรัฐมนตรีไปทุกงานเพื่อที่จะให้ใครๆได้รู้จักโดยเฉพาะเวลาออกทีวีไม่เคยครับผมกลับคู่ ม, มั่นเพิ่งกลับจากอังกฤษเมื่อเราเร็วนี้เองแล้วก็กำลังยุ่งเรื่องเตรียมงานแต่งงานเลยไม่มีเวลาดูทีวี อ๋อได้ยินว่าคนคู่นี้เพิ่งกลับจากอังกฤษคุณหญิงจึงถือโอกาสคุยบ้างฉันก็เคยไปอังกฤษหลายครั้งไปเยี่ยมลูกเคยได้ยินชื่อคุณหญิงประทุมทิพย์ภรยาท่านรัฐมนตรีพระดุลเดชหรือเปล่าฉันนี่แหละเธอคิดว่าคนทั้งสองจะต้องยินดีปรีดา ที่ได้รู้จักคุณหญิงหากก็ต้องผิดหวังเมื่อฝ่ายนั้นพูดว่าผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เมืองไทยเปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยซะจนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครฟังแล้วคุณหญิงอยากจะร้องกรี๊ดก็พอดีกับในคุณทองเดินเข้ามาพี่สมชายไม่อยู่หรอกฮะคุณหญิงหลวงพี่บอกว่าไปซื้อของที่ตลาดกับแม่ครัวตั้งแต่เช้า หนูก็ลืมสังเกตว่ารถไม่อยู่แล้วกุญแจละ่ะมันฝากกุญแจไว้หรือเปล่าเปล่าครับเขาเอาไปด้วยแม้ร้ายจริงๆและนี่ฉันจะต้องรออีกกี่ชั่วโมงกันนี่คุณหญิงค่อยมาวันอื่นดีไหมฮะมาวันที่สิบเอ็ดก็ได้ท่านกำหนดออกจากสมบัติวันนั้นโอ้ยฉันรออีกไม่ไหวแล้วเอาอย่างนี้แล้วกัน เธอรู้จักพระเกจิอาจารย์ดังๆของจังหวัดนี้อีกหรือเปล่าฉันจะได้ไปหาให้ท่านช่วยดูให้ยิ่งเป็นพระอรหันยิ่งดีนายขุนทองแอบเถียงในใจว่าโอ้ยถ้าท่านเป็นพระอรหันจริงท่านก็ไม่มาสนใจเรื่องบ้าๆบอๆอย่างนี้หรอกคุณหญิงแต่ปากเขากลับพูดว่าหนูไม่รู้จักแล้วคะ่ะอะไรเรื่องแค่นี้ไม่รู้ เธอนี่ยแย่จริงงั้นฉันจะไปถามคนขับรถของฉันก็ได้ไม่น่าเสียเวลาเลยกูเธอบน่นคนเป็นด็อกเตอร์กับคนจบปริญญาโทรูร้สึกสังเวชใจในกายกรรมและวาจีกรรมของคนเป็นคุณหญิงหากก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาในขุนทองสิอีกที่ด่าไล่หลังว่าอีคนเป็นคุณหญิงเพราะผัว และอธิบายให้ชายหญิงคู่นั้นฟังว่าพี่รู้ไหมยายคุณหญิงเนี่ยอาศัยบารมีผัวถึงได้เป็นคุณหญิงถ้าผัวไม่เป็นรัฐมนตรีมีหรือจะได้เป็นจริงไหมพี่คนฟังเพียงแต่ยิ้มยิ้มหากไม่ยอมออกความเห็นคนพูดจึงเปลี่ยนเรื่องถามพี่มีธุระมหาลุงละะุงลหฮะครับผมจะมาขอให้ท่านหาเลิกแต่งงานฝ่ายชายบอก ท่านกดรับแขกสามวันฮะวันที่สิบเอ็ดพี่มาใหม่แล้วกันคนพูดคาดว่าคงจะได้รับการต่อว่าต่อขานเช่นเดียวกับรายอื่นๆหากก็ต้องผิดคาดเพราะเขาพูดว่างั้นวันที่สิบเอ็ดผมจะมาใหม่นะครับพูดจบก็ลุกออกไปไม่ถามเะได้ซ้ำว่าเหตุใดท่านพระครูจึงไม่ลงรับแขกสาธุขอให้คนที่มาหาหลงลุง น่ารักเหมือนคู่นี้ทุกๆคนเธอเจ้าประคูณในขุนทองแอบตั้งจิตอธิษฐานครู่หนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงร้องกรีดกรีดดังมาจากลานจอดรถเสียงนั้นแหลมลึกอย่างประหลาดชายหนุ่มวิ่งไปยังที่มาของเสียงแล้วก็พบคุณหญิงปทุมทิพย์ยืนเต้นเร่าๆส่งเสียงกรีดกรีดอยู่ข้างรถเบนซ์ชายวัยกลางคนแต่งชุดทหารยศพันตรี ยืนงงงันดูอยู่เกิดอะไรขึ้นล่ะฮะเขาถามนายทหารผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเห็นคุณหญิงท่านเดินผ่านต้นปีบมาผมก็เตรียมจะมาเปิดประตูให้ท่านแล้วท่านก็มายืนร้องกรีดกรีดอย่างที่คุณเห็นนี่แหละคุณหญิงฮะคุณหญิงผู้ชายที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเข้าไปจับตัวคุณหญิงเขย่าแรงๆหมายจะให้เธอรู้สึกตัววายอย่ามาถูกตัวชนะ เสียงแหลมกรีดใสในายขุนทองรู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่คุณหญิงแต่จะเป็นใครนั้นต้องถามข้าหน่ะใครละ่ะแกเป็นใครเป็นใครก็ช่างข้าอยากจะรู้จริงๆก็ไปถามหลวงพ่อสิวิญญาณในร่างของคุณหญิงปทุมทิพย์ตอบบอกเดี๋ยนี้ไม่ได้หรือทำไมจะต้องถามหลวงพ่อท่านกำลังอยู่ในสมาบัติจะถามได้ยังไงก็เพราะอย่างนี้น่ะสิข้าถึงมาเข้านางคุณหญิง มันใส้มันตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ที่ไม่กล้าทําอะไรก็เพราะเกรงใจหลวงพ่อแขกเกลือที่ตั้งใจจะมาหาท่านพระครูเมื่อเดินผ่านลานจอดรถจึงพากันมาหยุดดูกลุ่มทั้งดต็ตรกับคู่มัน่นซึ่งกําลังจะเดินไปที่รถของตนประเดี๋ยวหนึ่งบรรดาแม่ครัวก็ยกขบวนกันมานําหน้าด้วยนางบุญพาน้องสาวนางบุญรับอะไรกันวะขุนทอง นางถามหลานชายท่านพลักครูไม่รู้เหมือนกันป้าดูเอาเองสิชายหนุ่มบอกนางมุนพาจึงเข้าไปเขย่าตัวคุณหญิงพลางถามเสียงอ่อนเสียงหวานคุณหญิงเจ้าขาเป็นอะไรไปเจ้าคะร่างของคุณหญิงสะบัดอย่างแสนที่จะรังเกียจสัมผัสของฝ่ายนั้นอย่ามาจับข้านะนางคนสกปรกอีฉันอาบน้าแล้วเจ้าค่ะอาบเสร็จเมื่อตะกี้นี่แหละ นางบุญพาตอบครั้นศบตากับคุณหญิงก็ถึงกับขนลุกชูเพราะคุณหญิงจ้องมองตาอย่างไม่กระพริบรู้ได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่คุณหญิงแต่เป็นผีจึงก้มลงกราบปลกปลกโอ้ยกลัวกลัวแล้วจ้าอย่าถือสาหาความอะไรเั่นเลยไปที่ชอบที่ชอบเถอะข้าไม่ไปข้าจะอยู่ช่วยหลวงพ่อดูแลวัด แกนังคนสกปรกคนอย่างแกต่อให้อาบน้ำอีกสักสิบตุ่มก็ไม่สะอาดเพราะความสกปรกมันอยู่ที่ใจแกมันแนบเนื่องอยู่ในกายในใจของแกข้ารู้ข้าเห็นมานานแล้วแต่ที่ไม่ทำอะไรเพราะเกรงใจหลวงพ่อขอให้รู้ไว้ว่าข้ารอโอกาสนี้มานานแล้วได้โปรดเจ้า อย่าทำฉันเลยฉันไม่เคยทำผิดคิดร้ายกับใครคราวนี้วิญญาณในร่างของคุณหญิงเท้าเสียเอวด้วยมือซ้ายส่วนมือขวาชี้หน้าคนที่กำลังก้มกราบปลกปลกกราบจนหยุดไม่ได้หน้อยแน่พูดออกมาได้ว่าไม่เคยทำผิดคิดร้ายคนอย่างแกมันชั่วแล้วก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองชั่วชั่วทั้งกายวาจาใจนึกว่าข้าไม่รู้หรือ แกมาทำครัวช่วยหลวงพ่อน่ะแกบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าเวลาที่พวกแม่ครัวเขาเผลอแกก็แอบเอาหอมเอากระเทียมบ้างมีดบ้างหมูบ้างปลาเค็มบ้างใส่พกกลับไปบ้านถึงคนอื่นๆจะไม่เห็นแต่ข้าก็เห็นบรรดาแม่ครัวพากันจ้องหน้านางบุญพาแล้วก็ถามเป็นเสียงเดียวกันจริงหรือนางกำลังปฏิเสธ คุณหญิงก็ขู่ว่าถ้าพูดไม่จริงแม่จะหักคอทิ้งเดี๋ยวนี้แหละโอ้อยกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วอย่าทำลูกช้างเลยหลวงพ่อช่วยลูกช้างด้วยนางบุญพาร้องเสียงหลงนายสมชายกลับจัดจ่ายตลาดกลับหัวหน้าแม่ครัวเห็นคนยืนมุงอยู่ที่ลานจอดรถ จึงพูดกับหัวหน้าแม่ครัวว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะป้านะหลวงพ่อท่านก็มาตัดสินให้ไม่ได้ซสด้วยยังไงยังไงผมก็ต้องรักษาคำมั่นสัญญาจนถึงที่สุดเขานำรถมาจอดใกล้ๆแล้วชวนหัวหน้าแม่ครัวลงไปดูนายขุนทองรีบมารายงานคุณหญิงถูกวิญญาณเข้าสิงนะพี่ด่ายายบุญพาใหญ่เลยสิทวัดดูประเดี๋ยวเดียวก็รู้ว่านายขุนทองไม่ได้พูดเล่น จากประสบการณ์ที่เคยตามท่านพระครูไปจับผีหลายครั้งจึงรู้ว่าผีมาเข้าคุณหญิงไม่ใช่ผีปลอมไปตามหลวงพี่บัวเฮียวมาด่วนนายขุนทองรีบวิ่งไปยังกุฏิของพระบัวเฮียวเห็นท่านกำลังเดินจมกลมอยู่จึงว่าขออภัยนะฮะหลวงพี่คุณหญิงถูกผีเข้าฮะหลวงพี่ช่วยไปดูหน่อยภิกษุไวยเป็นเจเพสพักการปฏิบัต ไว้ชั่วคราวและตามในขุนทองไปเมื่อท่านไปถึงคนที่มุงดูอยู่พากลิกทางให้ท่านเข้าไปในวงคุณหญิงก้มลงกราบสามครั้งกราบอย่างสวยงามที่สุดเท่าที่ในสมชายเคยเห็นผีกราบพระก็เป็นด้วยกราบได้สวยกว่าคนเสอีกแนมะ่สิทวัดคิดในใจกราบพระโบเยียวแล้วคุณหญิงก็รายงานด้วยเสียงที่แสนจะไพเราะ ดิฉันต้องขอกราบประธานโทษพระคุณเจ้านะเจ้าค่ะที่บังอาจมาก้าวไายเรื่องของมนุษย์ดิฉันทนไม่ไหวจริงๆเจ้าค่ะโยมาจากไหนละ่ะภิกษุเชื้อสายยวนถามดิฉันมากับเสานั่นเจ้าค่ะเสาสีดําที่พิงอยู่ใต้ต้นปีกการมาของโยมีจุดประสงค์อะไรหรือดิฉันจะมาช่วยหลวงพ่อเจ้าค่ะมาช่วยดูแลทําความสะอาดวาดัดและทําไมต้องมาเข้าคุณหญิงเข้าด้วยละ่ะ ไม่น่าทำอย่างนี้พิกษุหนุ่มพูดเสียงตํำหนิดก็อยากจะสั่งสอนเจ้าค่ะสั่งสอนทั้งคุณหญิงทั้งยายบุญพาและก็สั่งสอนเสร็จหรือยังละ่ะเสร็จแล้วเจ้าค่ะดิฉันจะไปเดี๋ยวนี้ละเจ้าค่ะพูดจบก็ก้มลงกราบสามครั้งแต่ครั้งที่สามไม่ยอมเงยคุณหญิงปงทุมทิพย์ฟุบอยู่ตรงนั้นในท่ากราบอา้าวโยมแม่ครัวช่วยกันนาคุณหญิงไปที่กุฏิหลวงพ่อหน่อย บรรดาแม่กลัวยกเว้นนางบุญพาต่างช่วยกันหามคุณหญิงด้วยความทุลักทุเลเพราะคนถูกหามคงจะหนักเจ็ดสิบกิโลกรัมเป็นอย่างน้อยช่วยกันเยียวยาอยู่สักครู่คุณหญิงก็รู้สึกตัวนี่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนายทหารพูดทำหน้าที่ขับรถพามาจึงเล่าเหตุการณ์ให้เธอฟังเล่าจบผู้ที่นั่งณที่นั้นต่างพากันเหลียวหานางบุญพา หากไม่มีผู้ใดได้เห็นแม้แต่เงาของนางผู้หญิงคนนั้นหนีไปแล้วนางจะไม่กลับมาที่วัดนี้อีกเห็นหน้าในสมชายคุณหญิงก็เริ่มแสดงอำนาจบารมีนี่เธอช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยฉันจะขึ้นไปพบหลวงพ่อเธอออกคำสั่งไม่ได้หรอกครับคุณหญิงท่านสั่งไว้เลยว่าห้ามเยี่ยมห้ามประกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นเพราะท่านไม่ทราบว่าฉันจะมานะสิ เอาเธอไม่ต้องพูดมากเปิดประตูให้ฉันก็แล้วกันอะไรจะเกิดขึ้นฉันขอรับผิดชอบเองไม่ได้หรอกครับคุณหญิงยังไงยังไงผมก็เปิดให้ไม่ได้ชายหนุ่มยืนกลานนี่เธอลืมไปแล้วหรือว่าฉันเป็นใครคุณหญิงปทุมพิษ พ, พ, พูดเสียงกร้าวผมไม่ลืมหรอกครับไม่ลืมว่าคุณหญิงเป็นภรรยาท่านรัฐมนตรีพดุงเดชในใจนั้นอดไม่ได้ที่จะย่ะเ ย, ย้ยอดีตภรรยา ส่วนภรรยาปัจจุบันเป็นเด็กอายุ16ก็ในเมื่อรู้แล้วทำไมจึงกล้าขัดคำสั่งของฉันนายสมชายรู้สึกสมเพศคนที่เป็นคนหญิงเสยนักผู้หญิงที่หลงยึดติดอยู่กับหัวโขนชายหนุ่มระงับความขัดข้องมองใจเอาไว้แล้วพูดด้วยเสียงที่เป็นปกติว่าขอประธานโทษนะครับคุณหญิงผมเปิดให้ไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นภรรยารัฐมนตรีหรือแม่กระทั่งภรรยานายกรัฐมนตรี ผมก็ไม่สามารถเปิดให้ได้คุณหญิงค่อยมาวันอื่นเถอะครับคนเป็นคุณหญิงจากจะร้องกรี๊ดหากก็ต้องระงับอารมณ์เอาไว้เมื่อเห็นว่าไม่สามารถจะทำให้ชายหนุ่มยินยอมได้คุณหญิงจึงคิดขอยืมมือนายทหารวัยกลางคนจึงพูดขึ้นว่าอันที่จริงฉันก็ไม่น่าลดตัวลงมาพูดกับเธอหรอกนะควรจะเป็นหน้าที่ของคนขับรถฉันมากกว่าบุญช่วยเธอจัดการให้ฉันที จัดการให้เขาทำตามคำสั่งฉันด้วยแม้จะต้องใช้กำลังเธอก็ต้องทำเธอยื่นคำขาดจะเอาผมไปฆ่าไปแกงผมก็ไม่ยอมทำตามคำสั่งคุณหญิงถ้าผู้พันอยากได้ลูกกุญแจก็ข้ามศพผมไปก่อนสิทธวัดพูดอย่างเด็ดเดียวพันตรีบุญช่วยรู้สึ ก, กลำบากใจเขายอมมาทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้คุณหญิงก็เพราะหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพันโท พันเอกกระทั่งถึงในพลนี่ก็ตายเต้ามาตั้งแต่เป็นนายเสิอุตสาหตามใจผู้หญิงอ้วนที่เอาแต่ใจตัวเองไปเสียทุกเรื่องเบื่อจนสุดเบื่อนายจึงสุดนายคิดว่าไปรับอาสาคนขับรถให้เมียน้อยรัฐมนตรีก็ยังดีเสียกว่ามีทางก้าวหน้ากว่านี้แย่เด็กสาวคนนั้นคงไม่จู้จี้ขี้บน่นเหมือนยายแก่หมูตอนคนนี้ แล้พูดด้วยเสียงอันสั่นนิดๆว่าผมไม่สามารถทำตามที่คุณหญิงสั่งได้หรอกครับดีละงั้นฉันจะถอดยศเธอให้กลับไปเป็นในสิบอย่างเก่าคุณหญิงปทุมทิพย์ขู่ถอดก็ถอดสิครับแล้วผมจะไปขอให้ท่านรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ใหม่ก็ได้ไปรับอาสาขับรถให้มียน้อยของท่านขี่คร้านจะได้เป็นถึงในพล